ทำแต่ละวัรละบาทผมพิจารณาบางมันทรงต่อธรรมชาติเมืเอถายเงินนโมจบพระสวดดาวันเงินนโมเบ่งตุอหน่อบนนโมแปลว่าหน่อบนน้อลักของวัาหนอบนเพราะพวกนี้เขาฝากเจาเน้ะรักไม่ขนาดมันนอบนตั้งกันหนว่าพระลาหันเงินนโมจบนโมพระละหันนอบนจนเมื่มาเกิดแกจะตายอีกมืมาหลบมากดมาหลงพระลาหันเงินนโมจบ ถ้าดาบันนี the ้ละโมเบิ่มต้นน้อมน้อมจนบ่เสดายรวมระเบดชินหาบ่อเสดายรวมระเบิดอาบันจะมุบ่เสดายอยากถือยุยงห้องกับพ่านบ่อเสดายอยากก็เ้อแบดีนั่าดีถ้าโดาบันบ่เสดายอยาก่าขายจังปะหานขาดายมรุษขาขายศักด์เจนเนียขาดที่โซขาดปเอาขาขยนว่าขายยาพิษการขาดขายหายางเงี่ยตอนนี้เน่ยถ้าโศดาบันเลยในท่านนักษาเขียนภาวนาเพื่อท่านทาน เพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทุ่มสมบัติเพื่อพระญาพสมบัตเจีงเหลีวเกตนาของพระสวัสิ์ูโทษธรมโอทั้งโคกนิดผ้านั่งวายไม่ได้วายเพื่ออวดหน้าแขกก็ะสังวาาไม่เกียรตนาจรงจัม่ใช่การปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทุ่มสมบัตินั่งมาท่านงานทุมของพระสวัสดิปฏิบัติเพื่อพระญาพชั่มบัติจียงเหียวพอได้ดวงตาเหันท่านแล้วเห็นอนุจรัชช์ พุทธาสีจำพวกสมมาพระพุทธจำพวกหนึ่งวัตถิคัพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งยพุทธาสีจำพวกปัจจุบันพระโสดาวันปัจจุบันสัคขะข้ามิปัจจุบันอาณาข้ามิปัจจุบันพระอรปัจจุบันต์ปัจจุบันพระพุทธเจ้ายวมาเทียบกันเมื่อไรไมันนิยมนรองกลันปัจจุบันพระโสดาวันเพราะพุทธศาสนาของเฮาเป็นโลกุตตะศาสนาโลกุตตร์กีพอัี เมื่อ ไ, ไหร่พก็บตั้งหน้าปีนเขาก็ถามพระนักเลี่อนมาห่มเามฮาเูาเดียวเมากรเที่ยวละเอียดเาเดียวสม่ไม่นั่งมันอายุ40 40กว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ข้ า, า, ามอายุกระเพราไม่ตายอันไหนดีแม่ดาก็บแ้่แดงใครใส่ชื่อให้แม่แม่แดงชอบชื่อแดงก็ใส่ชื่อชอบดาก็ใชื่อแม่แดงทำผิดแม่แดงก็ผิดแม่แดงแม่ดำทำผิดแม่ดำก็ผิดแม่แดงทำสุกแม่แดงก็สุก ความเพียรความสุกไมนขึ้นอยู่กับแท่นวันนั้นถ้าเราไม่าสตราไม่ได้ยืนยันว่ามหาิการหรือธรรมยุธ์เป็นสาวกของท่านท่านยืนยันแต่เียงว่าสุปัทโนุยายะย่าสามเท่านั้นมันยืนยันว่ามหานิการเป็นสาวกของเรามันยืนยันว่าธรรมยุทเป็นสาวกของเราตอบยังไงนี่นะทศูดสุปัจโนสุยายะย่ะสาวมีเจ้เท่านั้นเป็นสาวกของเราเอสาวพระโพธ์เท่าท่านผู้แ้ถ้าโทษอย่างนี้ ผมกว่าหน้ายันใส ม, มากบางท่านก็พูดเอาดีแต่ตัวแต่ถ้าพูดเขเปลนกขไปเขาตอกหน้าเขาแล้วเขาผมเขาอยอะหลายพรนี่นี่จะอะไรพยัญงนเขาเขาบอกไปวันมันแมนอยูัชทวต้านถ้ามันวจระบาดจมต่อธรรมชาติมัดพูดมากก็มาอก อ, กมาอกมาจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจถ้าสตดก็สตดของกายวาจาใจ ถ้าปร like so มัดก็มัดเข้ากายวายใช่นี่วิเนยร์ก็วินียร์กายวายใชใช่ถ้าว่าเป็นสามถ้าว่าเป็นสองก็กายตัะใจถ้าว่าเป็นหนึ่งเป็นเอตานิบาตกมาโนผู้ฟังถ้าจะว่าเป็นสี่ก็อริยสัจสี่ถ้าจะเป็นห้าก็ขันห้าถ้าว่าเป็นหกก็ตาของสูงเรื่องกายใจจะย้อนลงมาหากันได้เอาอันี่คนเ้าขันมัติจจะได้ของนามหลวงมังกรผลคนตัวอดีตคืออะไร คือกองนารูปที่โคตนไปแล้วอนาคตคือกองนํารูปที่รรรท ย, ยังมาถึงปัจจุบันคือกองานารูปที่ยังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือผู้รูปที่ต้องไปอนาคตรรรคือผู้รูปที่ยังมาถึงปัจจุบนันคือผู้รูปที่กำลังเดินอยู่เขาบอามรรคสารา เราูสมมติตามมัน่งของสมมติเราลูกยิ้มมุดตามมันเก่งของสุมติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมติแต่เราไม่ติดอยู่ในยิ้มมุดถ้าเราติดอยู่ในยิ้มมุก็เรียกว่าเราไม่รู้ยิ้มมุดถ้าเราติดอยู่ในสมมติก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมตินหตนั้นอุปาทางของเราจะไม่มีนักที่ใดๆทั้งสิ้นวิญญาณปฏิสัมพี่ของเราก็ดับไปวิญญาณปฏิสัมพี่ของเราดับไปก่อนนามลูกก็ดับไปนักที่นั่นเองบางคนก็มาถามอะไรแล้วฟูแล้วฟูหรือสังหิจภาวนาจิตไม่ว่าเออ ถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่าถ้าไม่สาคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ว่าอยู่ะที่นั่นเองไม่ยต้องทํากิริยาให้ว่าเขาตอบเขาจิตเขานีข้ามข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าสำคัญเอาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาก็ข้ามเวทาไม่ได้ถ้าสำคัญเอาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนา ถ้าสำคัญเวชนามีในตนตนมีในเวทนามันก็ข้ามเวชนาไม่ได้ถ้าไม่สาคัญเวชนาเป็นตนเป็นเวชนาไม่สาคัญเวชนามีในตนตนเป็นเวชนาเวชนาก็เป็นสาสตร์ก็เวชนาไม่ใช่จัตุรุคตนตนเราเขาจ้เพียงเวทนาเวชนาท่านก็บอกไว้แล้วถ้าเราสาคัญเวชนาเป็นจนจนเป็นเวชนาเราจะข้ามเวทนาทุกเราต้องการเวทนาสุขกับอุเบกขาเวชนาใช่ไหม ถ้าเราต้องการเวทนาสุขกับอุเบกขาเวทนาก็เวทนาเป็นของมเทียงจิตได้ไเที่ยงเสียงก็เป็นทุกข์ทุกข์ปรเยวทุกข์ปรเียอุเบกขาปรเยวเกิดขึ้นก็แปรวนแ้วแายพราบรมาศาสตามาให้ยึดมันถือมันในเวทนาน่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสั์เป็นบุคคลมันก็ข้ามเวทนาอยู่นักนเองตายก็เป็นจักว่าการไม่ใช่สัตว์บุคคลจ้ตนเราเขาเป็ี่ยนเพียงกายอย่างเวทนา ไม่สงคัญว่าตนกันกายไม่สำคัญร่างกายกันตนมีแต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมตนมีอยู่ที่ไหนเอ้าธาตุสีผมโผลเนี่ยฟันนั้งเนี่ยกระดูกเนี่ยกระดูกมากหมอใจตาฟังฝุ่นไตปอดไตหย่อนไตอยานหมายเกแยกออกเป็นธาตุดินดิสเลเนน้องเลือดเงือกมดก้นน้ำตาเปลือมมันน้ำลายน้ำหมกน้ำไผข้อน้ำมูดมีแยกแยกแยกออกเป็นธาตุน้ำไฟที่ยังกายห้วนไฟที่ยังกายให้สุขมไฟที่ยังกายให้ปวดคายไฟที่เผาอ่านห้ย่อดนี่แยกออกเป็นธาตุไฟออกเป็นธาตุกายลมพัดขึ้นลมวนลมเฮาลมเดือดร่มอวกลมพัดลมวัดสามลม แยกออกเป็นนี่ดินนี่น้ำนี่ไฟนี่รุกมันเจ้าของเราอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีนี้แต่ดินน้ำไฟรงมปจุมกันเป็นกายแยกว่ารูปเลสนาความสวยอารมณ์สุขทุกก็เป็นกระแสคเวสนาสัญญาก็เป็นกระแสความจำจำรูปจำเสียงจำจินจำรสจำผลสพพะจำธรรมกรูปสัญญาสัพพะสัญญาสัพพะสัญญารสัญญาพะสัญญาธรรมัญญารูปวรูป่าวิศกสัตวิศกขันธวิศกราชาวิกผลสพะวิศวกรรมะวิกรูป่าวิาร ก็เหมือนกันก็นเกิดขึ้นนักกาแฟควรน่าจะสลายทา่านได้จึงไหนที่เกิดขึ้นนักกาแฟควน่ากสลายสิ่งนั้นก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นศัตรูเป็นบุคคลทีนี้บางท่านก็บอกว่าพระนิพานไม่ใช่อนัตตานักเพยธรรมะอนัตตาติหมายถึงพระนิพพานด้วยถ้าหาว่าพระนิพานไม่เป็นอนัตน ต, ตานียใครเป็นเจ้าของพระนิพานพระนิพานยืนยันว่าอยู่ใต้วงแขนของกาย สังขารอยู่ใตวงแขนของกก็ไม่พ้นกับเพมาอนตาธรรมเดิมนั่นเองอนตาฝ่าบาปเป็นฝ่ายเว่นอนตาฝ่ายมักเป็นฝ่ายเสริอนตาฝ่ายนี้ต้เป็นอนาตาเป็นอนาตาฝ่ายที่ทาให้แก้งอของเสียออกถ้าย่นสังขารลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นวิสังขารออกมาเป็น่ในปัจจุบันถ้าพระสังขารย่นออกมาเป็นเอกสังขารในปัจจุบันถ้าเาวิมุตยย่นมาเป็นเอกวิมุตยในปัจจุบันถ้าเปสนย่นออกมาเป็นเอกเส้ในปัจจุบัน ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านอะไรดจะข้ามทะเลหลวงของตนไปใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังใครเป็นผู้พิจารณาก็ส่วยสังขารจะกรอกทุกจนผู้พูดผู้ฟังผู้คิดจางาอย่างนี้ท้านีิพพานไม่ได้มาพูดไม่ได้มาฟังไม่ได้มาพิจารณาด้วยพูดมากก็มากออกมาจากใจพูดมากเท่าใดก็ยิ่งเกิดดับมากนึกมากเท่าใดก็ยิ่งเกิดดับมากนั่นแหละความปริญนเครื่องสัญจรของโลภนั่นเอง พอเราม่ชาสาินะยิ่งบัรยัติสสโลกจิตเจตสิกนิพพานรูกจิตเจตสิกนิพพานนิพพานต่างหากนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เขาไค่ได้จิตถ้าทำถูกก็เป็นคำทางเขา้าสู่ภายในความถ้าทำถึกก็เป็นทางลงสู่นะครับจนถึงมหาวิชีนะครับบาปในทางเขาพูดแคากนะบัรยัติจนถึงโล ก, กันตานะครับ แลมหาวิจิตร์ชวนบุญทางพุทธศาสนาะบรรจับถึงพระานาคางหรือนอกนั่นบรรจับไม่ได้พระหันมาบรรจับบาบุญเพราะท่านมีนื่อยไปแล้วที่บาปละพอแล้วบนพระสราบ พ, พอแล้วไม่ไม่จะน่าที่จะบรรจับบาปบุญใส่พระหันชวนบุญชวนบาปของมัสยิดดาวันเป็นบาปที่จะละได้ไม่ใช่บาปบุญเดียวน บาปของสัคตาคามีก็เป็นบาปที่สลระได้ไม่ใช่บาปที่นิจเป็นโลกุตระบาปบาปของพระอน า, าคามีก็เป็นหน้าที่สาระได้เพราะเป็นโลกุตระบาปไม่ใช่โลภีบาปต่ํำกาพระโสดาบันลงมาเป็นโลกีบุญเป็นโลกีบาปบนเรือนนี้นั่นพระโสดาบันเดินตร ง, งเลยไม่แวะซ้ายนม่แวะขวาและไม่พลหลังด้วยเอ๊ะครับคือเกิดอีกคาดเดียมารดาของพระบรมศาสดา พระมารดาของพระมศาสดาเป็นพระโสดาบันเอกศักิ์สินธิ์สานาได้ยังไงเพราะสันญาสานว่าพระบรมมาศาสดาของเขาได้เก็บมือม่านดาเขาเลยสิ่งพระชั้นมาโยไปเกิดได้ขั้นดูสิพราพระองค์ได้ตัดชะโลกแล้วพระองค์ไปเทศชนาเอาคนก็ได้พระโสดาบันเพื่อนปาดชนะเป็น ม่หนาของพระุทธเจ้าหาพระองค์คนเกิดมาแล้วซื้อพระองค์นั่งพระชี้เงียบตายตั้งแก่พระบรมศาราของเฮาเข้าซืพระนี่ยพลาดมั่นเอมันว่าไรพรท่านว่าท่านพอะใดซ้อเรือแม่ท่นนี่คุณละข้อนพระชี้เงียบตากยามแน่ว่นแต่ลงมมาแล้วเรอกินขอมเขาวางสีดอกสีน้ตาไงเขาวาอย่งท่านหลวว่าสามหมื่นเหียว่าเาวงสีดอกเขาเสียงดีฮคุณคะอนพระ พระพุทธเจ้าองไดก็ต้องพําเ็ษอง์นั่นพําเมษเนพระพุทธเจ้าอง์นั่นเดี๋ว่าเสื่อมใช่อง์อื่นเมื่อไรพระหน้าค้าไม่พิจาเนี่ยพระพุทธเจ้าองไรกับตองพําเมษเนี่ยพระพุทธเจ้าองหนั่งเอาพระหน้า้าไม่ย่นสั่งเอาอยาตาป่าพุทธศสียกันสการเสสุเวสนตรราิตาพะโกุลภโตปัสาวู แมมหาสมัยศิลตาเทวตาประวันงวาเถิวอจมันตังอาตุเอตอิจามตาโกอตตาชิตวาตต้องมาตัวจสอทีเจี๊ยบข้าตังอมาเอเรื่องมหาพระโพธิเกของเฮาอยู่ปามหาวันนี่พระโพธิเกถามถามเป็นธรรมสาภาษากันงเดยท่านถึงพระอานาคามีเจ้าพระเจ้าองค์ไหนเจ้าพระเจ้ากษตริย์พระอพระละกามาร่มและปฏิคัตสัญญาอะไรแล้วี้จะเกิดขันเนี้ยทำให้เสียผลดับพุทธมณฑแน่ เเนี่ยเขาใส่กับผู้เฮี้ยนสั่นแสมนึงแล้วนั่นจะกระตองเฮี้ยนมัดเ้ากระแสยกับสันแบบสมนั้นชื่อาสั่นไปเฮี้ยนกับผู้อื่นมันกับอะไรแล้ว่อออกพี่สเขาก็ไมเชอทีเาพูจางานกอ้ยสำหรับเพราะนักนมาพัชจีไม่สใจนัมาเกิดเนี่ยนเกิดแล้วจัวกินขนมเขาจีทํามากังไมาหลายมือมาหลยแสนเนี่ยพัีไม่ีเนี่ยแต่กระอัจิตะมาเกิดนั่งกนะพระค์หลวงอเนื้อพจิะ เพ <owad Es> เขาสูาไปเกิดในชันดูเซียสก็คือทานพ่อสามเหลือนยังเสิยร่องมากอยงปับันนี้พระพุทธเจ้ายังสิร่องไปสามารถไลส่วนพุ่นหลักนะครับข้นปฏิบัติศาสนาพระโคดมเมื่อสุดนั้สียร่องไปเลยเดือดมา้าสียรง่พระรามสีย่อคือว่าเมื่อปุมมาว่ดดีสร่องบะดูไม่ก้ากระิ้งะครับเสิยเป็นเสีเร่องห่ไปนะครับุดเสิยร่องมาก นี่บอกเลว่าเย็บแขนกอดไปไวาย่าเแี้วสุรเมอนี่ประําว่าอยุงเงินท่ท่านลงมาเองลงมาสอนศาสตราทัพโดบนจะกกิดตัวสิขเขาอกกของแหวนมาทตัวท่าลงมาอย่างนี้ท่านตสามหมื่นอย่างอยู่หันรถสันตาเสีย้ยจะเทานี่มาจัวอะไรจั๊วเวียนมาส่เทเาบเ่าสอนะสพอแงเนี่ะศาสราี่ถึงอ่งเนานะพุณมบะรเ มีบ้างทำไมนี่ยตอนัันิข้ามไปเดไปใส่ง้นอเด้อเดเด้อเดอาด้ไเาได้หลายข้อมือแนนอแ่น เบ้อเห็ดไม่หล um nah i mean oh ่อไม่อไลอเว้นยหอองังเาะบนียาเเ็ดไหมบ้าเห็ดเล็กหน่อยอาหาีเล็กหน่อยอห้าปีเบเห็ดเ็นนั่งายทยาตองเรแล้วผู้มันุ่มวีตายแล้วเบ้อเห็ด พ่ u, อเสียใจเจ้เยลเอไปไปุงุนะยักยิบส mm> mm> mm> ัตว์เขาอเาหเนาะเข้ามันยเข้าไปทุกสามาก็หากเอะกก็ ้ารอบชิ้น้าพรา้นตอเเก็้่เแปะ็บอแล้วบแปเ็แปสามที่าที่พเ็บเปตีหเพพอได้เลเนะี่นี่จะไปช่างไหนฮะนี่ไปี่นอเออออกชาง่เ้ยเอย ก็เก <Yeah. Yeah. S 1> ียงอยากทำเนอรักก็ทำซื่อผิดอะไรหนอได้กได้ไม่ได้ก็ไดีขอขมาโทษด้วยายว่าใจใจพระพุทธเจาท่ประสงค์อย่ตรงมั้นามีป h a r เราจะถวาเขอชูลพภได้ผ้าส่วนจยากโชวนว่าต้องสารนิสัเงือนอดชิดยังสั่งแล้วลุกนไหนรุ่นไหกระซ้าอธิษฐานไว้ยังสั่งยดใจใหผีกับ่ก่ไผ่กับ่าไก่ผีไผ่กับว่าหา จิต่เทานับมืสูงเขนได้กเท่าเนส่กาเท่าไว้สั่นิดใจพอสูงเลยาได้บุญนี้สูงมือกเท่าได้มาจากเดี๋ยวบุญนี้เราได้ใจเทาอธิษฐานหลยสัเลยและเรื่องใดเรื่องไดจะดีเพราเป็นนี้เป็นภัยก็ตั้งแต่ลกกาติด้ทงมมีประมาณาแก่ท่าขอจูงพระมิพานยามีเร่อไม่ไพอันใหนเถืนบองสั่แล้วยื่องดเรื <explic ativos? S 2> the ่องไดกดีเพาอุทิศสุศลกุศลบุญไหนขตั้งแต่ลกทาตด้ทรงมมีประมาณ เข้าอาภุดโชคเดียวเข้าได้ถึงไตโรคกาะสัแห้งได้บุญหลายนะบุญเท่าไม่หน่อยหน่อยนึงไตอุทิศห้าไตโรคกราสับโดมดบล้อว่าสั่เขากพิจ้าว่าสั่งพระอนุนบล้อแล้วมันแห้งได้หลายมันเร่งได้มากเี่งเท่าเออขึ้นปุิบัติธรรมทไมบนเสวยก็การให้ส่วนบุญบุญเจียวัตถุสามอย่างกิรยาที่ทาบุญมีอยู่สามอย่างอย่างอย่างย่อ ทานไมบนเสเยต่อการจากทานชี้ทัยบนเสวยต่อการรักษาศีลภาวนาไมบนเสเยต่การเจริญภาวนาถ้าอย่างพุทธะอาปาจ่ายนั้นมบนเสวยต่อการประพฤตอบตนแก่ผู้ใหญ่เวย์ยาวัตจะไม่บนเสเยต่อการช่วยคนข่อยในสิที่ชอบสามีหาพบปฏิทานะไม่บนเสเยี่วการให้สบุยปัจานโมทนาลายไสวดวบเสเยต่การอนรมณ์ธนาส่วนบแปดธรรมัตตวณะไมบนเสวยต่การฟังธรรม เก้าธรรมเทศนาไม่หมดเสด็จอาจารย์แสดงธรัมทิบทิศชุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคือเห็นระบาปนี้บนนี้ก็เป็นบุญประตูหนึ่งม่จิปยางประตูของบุญประตูมันไหลข้ามมาประตูใจเขาชาลไม่ศีลาไม่ภาวนาไม่ควบอ่อนอบก็บฟูง่ายปฏิตนเสนอเข้าราคุณป่าคุณร่งคุณปูคุณนาคุณตาคุณได้อันนี้เป็นบุญฝนรัติธาณไมุ้ญเเจ้าการไทยเสื่อนบุญเือทาบุญแล้วอุทิศเ่ทั้งไทโลกชา อันนี้ก็เป็นบุญชนหนึ่งถ้ามัดธรรมะไม่บุญทําเสร็จ้การสร้างถ้ำอันนี้ก็เป็นบุญชนหนึ่งวัดการนุโมทนาหม่บทําเร็จ้วการอนุโมทนาวนบุญอย่เ้ยเพิ่าบุญนะอนุโมทนาทัาิตท่านใจเทากับไรเออมีของเพิ่มก็ได้บุมีของเพิ่มอ่ะสาธุเงี้ดีนั่งเขาเนี่ย้ทํรดีผู้ทําดียินดีเนี่ยนัยินเียดีนั่งค้ทธรชัวบ่ยินดีนั่าเกกลับอาไปทั้งมันทํามัดธรรมะม่บุญท ทำมเทศนาไว้เป็นเฉยกการแสดงรับแสดงถ้ำในหมายความเพียงแหผู้เขาทำผิดทำไปว่าตัวย่ไปจเห็นค่สั้นกัเม้วนเดินด้วยสังจิตก็เรียกว่าเดี๋ยวว่าทำเฉยๆทำมเทศนาหม่บอกให้เขาละัว์ทำดีก็เรียกว่าทำมาเทศนาหม่บอกเป็นเุการแสดงถ้ำสัพพะทาังธรรมะทาังชี้นาติให้อะไรเป็นทางก็ไม่เศร้าให้ทำเป็นทางให้ทำเป็นทางชนะทางทังปวงมิตรดีสายดี ตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันพอดีแม่ดีปู่ย่าตาทวดดีป้าดีลุงดีนิ่ดีดสายดีครว่าอาจารย์ดีตอนไหนทำถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทาชั่วก็วกีดกันข้อมีกันขวอม่วนก็เป็นเทตดทานเทิดจำแล้วไปให้กงสันกับมวยมูเฮ้ากงสันขี้เราส้วนจีนเราเขาไม่ง่ายนะเขาบริจิตต์โอ้ยครับโอ้ยผมมันเป็นโรคครับว่าสั่ง โรคยังโรคบาปนะฮ้องบ่อธิบายโรคชิพหาลนะฮ้องบอกอธิบายแตอธิบายไม่พูง่ายเอผมเป็นโรคับบ้านโรคยังโรคชิไหายโรคบาปล้ว้องบออธิบายวกระเดาเท่าน่ะผมเป็นโรคขับก้านโรคอะไรเนี่ยโรคอะไรเนียคือมันบาปฮ้องบออธิบายอธิบายไม่จะตีกันบ่รเขายกมือแสดงวามสำะร็แล้วไปสุขส่ามันขนาดเขาคนสูบอกว่าเป็นโรคอะไรนี่จ้าเป็นโรคยัง อันเป็นโรคอันมันชิดหายเขาห่าวว่าอธิบายวิธีลดตัวรดง่ายแค่คันว่าคบเขาจะให้มันกระเทือนเขาคันคบเขาจะให้มันตายใจของเขาทำไมเสมอจังไหนเนี่ย่คบเขาให้กระเทือนเขาเลยคันเขาว่าฟาสิสร้างควเาอย่ประเทศเขาในรูออกซะคันว่คบเขาจะให้กระเทือนเขาทำไมเสมอจว้ไมีไพ่ข้าไปทางไหนห้าไปเขาตงเลียงก็ดีห้าอย่ามา้าเป็นลูกคนทางคนนี่ พ่อแม่ของผมโจของผมหาสเสาจินเดือนอย่าแล้วว่างจับยึดจั ว, วางเงินเข้ากันได้ใครว่าผมว่าไง เ, เงินเข้ามายืงเงินเขา้ามายืมได้เพราะบานขอได้สูงิไหาเลยอย่างนี้นบอเ่เข้าไปลงรงองเลียงไว้ําเป็นเข้าจะไป จ, จิ้มจับัแกบมันว่าพอ่อมันชิบหาย้ยไปเนเลรนผ้าเลนมัดเลีนเบือ่อเนี้ยไปสูบบ้า ยัดไปคบแม่กะลีผู้ยิ่งเงือกันยัไปคบพ่อกะลีผู้ยิ่งเงือกันเลยเพราะกะลีก็ยัดไปคบผู้ชายก็ยัดไปคบแม่กะลี น, นวันเอาโรกเอดมาให้หหลกฟีแบบวงเอย๋ยน้องายเอย๋ยหลกเอดเอ๋ยฉันหลกจะเขาไผจะเซ็คอรอเลยทุเมอขานี้เนเขาบอกว่าท่นเขาป้อนเจอทั้งเจอทั้งพบทั้งป่าอกวยนนเขาอกว่าแล้วว่างไห้ไม่ดีมันเขาทั้งเพศน่มันเขาทั้งแผลทางบาดนะ ไม่โกนด้วยฉีดด่ามันนีห่มันเข่าเขาวางกันลกลเอกดกันแต่เขาพูดได้กับเสียขอล่ะบ่ไม่อยากไม่จะเป็นจะไปกินจักจั๊กจะแกบไ ป, ไปร้องเรียนไม่จะเป็นจะไปเที่ยวเที่ยวบาเที่ยวบ้าโลกห ม, มดโอ้เนียน่ยแตจะไปเนียพู่น้องนายกานีนี่ผู้ห น, น, น, น, น่อยพอแน่ะนายกนายน้อยหนึ่งฮะนับปราทเ <c ười> <c ười> ัอหมดหมดจักจักกีโลของมูจาวหาทีบบ่า บม่พอฮะหาที่เก็บบะเออขอเก็บอะไรนะที่นี่เป็นแก่จิวหรือเชื่อไก่จิวเลยแะนะออแช ะ, อ ะ, อะเออไก่จิวเอองทำากิบให้มันเธอในการละช่วดทำดีเป็นคำสอนของพุทธศาหนา จงเป็นผู้ใจถึงในการทำดีแล้วเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีแล้วเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วจงเป็นผู้อาถหรพ์ละเลงบันเทิงในการทำดีแล้วเป็นผู้อาถหรพ์เรเลยบันเทิงในการทำชั่วทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจ ทำมชื่อเขาคือทําชื่อสลองใจเองทดีก็คือทาดีสลองใจก็คือต่ออายุความดีของใจทำเชื่อเขาจะไปต่ออายุของความชั่ออยู่ี่ใจไม่ได้ไปต่อที่อื่นผู้พาทำดีทําชืว่วเขคือใจให้พิจารณาเชียก่อนเป็นทำเชียเลยดีกว่านื้อธรรมะกรณ์นในเชื่ออยู่พิจารณาเชืยอก่อนเป็นทำเชืยอเลยดีกว่านอกจากใจก็ไมันมีอะไรจะทาดีให้ใจ นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะแทงั้วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทำขั่วใายใจไม่มีใครจะมายแย่มีผลในทางดีทางชั่วกรจะจายเป็นผู้รับไม่มีใครคนอื่นมารับทําไมจึงมีริ้นเพราะชอบริมรสทําไมจึงมีกายเพราะต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบไม่อบอุ่นก็ดีหรือให้เยือกเย็นก็ดีหรือให้สัมผัสที่น่าชอบใจก็ดี ทำไมจึงมีใจเพราะชอบนึกคิดตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีเป็นโรคแต่และหน่วยละหน่วยโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรค ก, กายโรคกจรวมลงมาก็คือกองนามรูปถ้าว่าเป็นธาตุก็กรูปธาตุนามธาตุรูปธาตุคืออะไร <c oughs> คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปรูปธาตุ ใจเป็นนามธาตุรูปประธรรมคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปประธรรมนามธรรมก็คือใจตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปประโลกใจก็คือนามโลกรูปประโลกก็ดีรูปสังขารก็ดีนามโลกนามสังขารก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันท่า น, น, นพูดเป็นหกเลที่นี่พูดเป็น 5, หน้าไง รูปเป็นรูปตามเดิมรูปคืออะไรบ้างดินน้มไฟลมมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกขเ์เบิขาสัญญาความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำบทธรรพะจำธรรมารุมสังขารความปรุงแต่งดีชั่วขนาดกลางจะสังขารขันวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลล่นทางกายทางใจ อาศัยรูปกระทบในตาเกิดความโกขึ้นเรียกจักขุเวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความลโกขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความโกขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรูปกระทบเลี้ยนเกิดความลโกขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยผฏฐะสะัพะกระทบกายเกิดความลโกขึ้นเรียกกายวียญาณอาศัยธรรมารเกิดขึ้นกับใจเรียกมโนวิญญาณวิญญาณหกก็เรียกเวทนาหกก็เรียกเกิดขึ้นกับก็แฟปวนได้แต่กรายเหมือนกันขั้นห้า ก็ย่นลงมาได้เป็นสองรูปขนันนามขนันตาหูจมูกเล่นกายใจก็ย่นลงมาเป็นสองเหมือนกันขันห้าก็ย่นลงมาได้เป็นสองรูปขนันนามขนันตาหูจมูกเล่นกายใจก็ย่นลงมาเป็นสองเหมือนกันตาหูจมูกเล่นกายย่นลงมาเป็นรูปขนันใจย่นลงมาเป็นนามขันเกิดขึ้นแล้วก็ไปปวและแตกแปรหลายเหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักอันนี้ธรมาโนโส오횧ขวาวา พระบรมศาสดาทรงมีพระชนมายุอยู่ได้แสดงธรรมเทศนาอันนี้มากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนิยามที่การทำด âm ศัตว์ทั้งหลายให้ออกกากว่าท้สงสารจริงยืนยันว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาวทนาไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารเวียญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารก็เป็นทุกเวียญาณก็เป็นทุกรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารเวียญาณก็อันเดียวกัน ศียนยอลงมาที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนั้นก็คือศีนสมาธิปัญญาอันชั้นสูงอันนี้ศีสนสมาธิปัญญาชั้นต้นของพระพุทธศาสนาก็คือศีนสมาธิปัญญาของพระโสดาบันพระโสดาบันมีศีนห้าบราิบูรณ์ไม่ใช่ได้ยลักล่วงระเบิดศีนห้าไม่ใช่ได้อยากร่วงระเบิดอบายบุพทุกประเภทไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสต ร, ราอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตเป็นราเรื่องสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่องละเมิดเลยเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าเป็นทางเสื่อมไม่ใช่ทางเลืิญสิ่งไหนที่ท่านไม่เสียดายอยากล่องละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่นับใจ ทำไมจึงไม่ใช้ได้รองเลยพราะเห็นว่าเป็นภยัยต้องไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวเห็นตามเป็นจริงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอเป็นสมาทิฐิเห็นตามเป็นจริงสมาทิเบื้องต้นก็คือสมาทิฐิพระโสดาบันเราดีๆเองตํามก่อนนั่นลงมาพระบรมศาสดาม่อย่รับรองเลยผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็ คือผู้นั้นอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อของโลกียะในโลกุตระแล้วเพื่อเลื่อมใสในชั้นที่หนึ่งในทางพุทธศาสนาในชั้นต้นของพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันเบื้องต้นก็เลื่อมใสเ ป, เป็นโลกีเสียก่อนเมื่อเห็นชัดลงไปแล้วก็เลื่อมใสเ ป, เป็นโลกุตระไม่ถือว่าคําสอนใดๆจะเหนือคําสอนในพุทธศาสนาเหตุ น, นั้นจึงยอมตนยอมตัวถึงพระพุทธธรรมประสงค์แกบจมไม่สงสัยไม่ลังเล ไม่วิสีจิษาไม่ดังเลไม่เสีรัพัตปรามาตไม่รูปกรคมในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธธรรมประสงค์ลงเอ่ยในพระพุทธธรรมประสงค์เลยพุทโธแปลว่าผู้ละชั่วทำดีแปลว่าทรงไหวซึ่งละชั่วทำดีธรรมโมทรงไห้ซึ่งละชั่วทำดีสังโฆปฏิบัติเพื่อละชั่วทำดีก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธศาสตร์นาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจ ต้นของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ที่ไหนอยู่ที่ใจมูลเดิมของพระพุทธศาสนาก็คือมูลเดิมใจนี่เองเพราะใจถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์หาพระพุทธศาสนาก็หาอยู่ที่ใจเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้มาเห็นถ้าเห็นก็ใจเป็นผู้เห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าปฏิบัติก็ใจเป็นผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ที่ใจถ้าสงสัยก็ใจเป็นผู้สงสัยก็สงสัยอยู่ที่ใจถ้าไม่สงสัยก็แจ้งสว่างอยู่ที่ใจ ทำไมเราจึงอาบนา้าเพราะร่างกายมันสกรปรกจะปฏิเสธอาบน้ามไม่ได้ทาไมเดยเราจึงปฏิบัติสิ่รทำเพราะจิตใจมันสกรปรกถ้า โ, กโกรคกวดหลงมีอยู่การปฏิเสธเพื่อบรรเทาปฏิบัติเพื่อบรรเทา โ, กโกรคปวดหลงตลอดถึงแข้งหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์ในวัฏจักรสงสารมีอยู่การปฏิบัติเพื่อ พนจะเกิดแก่เก็บตายเพื่อมาให้มาเป็นทุกข์ไหมว่าตาสงสารรบโกรธหลงมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้ากรรมและผลของกรรมมีอยู่การเลือกกรรมที่จะมาปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้มีกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเป็นต้นมีมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกายกรรมวิจิกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมมีอยู่การเลือกกรรมที่จะปฏิบัติคือกุศลกรรมหรือสุจริตกรรมก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าพืชและผลของพืชมีอยู่การปฏิบัติพืชอันดีก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเหตุและคนของเหตุมีอยู่การปฏิบัติเหตุอันดีก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อส ร, ร้างเหตุดีรองแล้วผลของความดีก็ไม่ต้องร้องเรียกหามาเองเหตุใครเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นก็คือใจใครเป็นผู้สร้างพืชก็คือใจใครเป็นผู้สร้างกรรมก็คือมโนกรรมคือใจคำว่ากรรมก็ดีเหตุก็ดีพชืชก็ดีเป็นคํากลาง คำว่ากรรมดีเหตุดีพืชดีอะไรนั้นก็บอกให้รู้ชัดเมื่อกรรมดีเหตุดีพืชดีผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็ไม่ต้องร้องเรียกหามาเองเหตุตั้งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้า พืชกับผลของพืชก็มาอยู่ห่างกันพอเก้ากรรมกับผลของกรรมก็มาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุพืชกรรมใช่แทนกันได้ผลของเหตุผลของพืชของของกรรมก็ใช่แทนกันได้ส่วนไปทางนี้ทางชั่วเขาเรียกแต่เหตุพืชกรรมจะสร้างขึ้นหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นหวานพืชบัรัเพชรปลูกบัรัเพชรก็ขมเหมือนบัรัเพชรไม่ต้องร้องเรียกหาขมมันมันมาเองมันเหตุรัตตาฝนก็มืด เหตุริมตาผลก็เห็นเว้นไว้แต่ตาบอดหรือเว้นไว้แต่ในที่มืดเหตุฉะนั้นจ้าปฏิเสธเหตุผลไม่ได้เมื่อปฏิเสธเหตุผลไม่ได้ก็ปฏิเสธกรรมและผลของกรรมไม่ได้เหมือนกันธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัธรยูตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้สุขเป็นผลแห่งเหตุที่เว้นอบายมุขทุกข์เป็นผลแห่งเหตุที่ไม่เว้นอบายมุขเอา อบายมุก ค, คืออะไรก็คือไฟเผาดอกกล่าวดีๆนี่เองคำสอนพระพุทธศาสนาสอนดีเด่นกว่าลัทธิใดๆทั้งสิ้นใครจะพูดว่าให้ถูกคําสอนพระพุทธศาสนาพูดไม่ได้ใครจะพูดเก่งเทศเก่งสักเพียงไหนก็าตามเลรมกล้าของพระธรรมาพระพุทธเจ้าเราดีๆนี่เองเพราะอันใดอันใดพระเรามาศาสดาก็เอามาเทศแล้วสิ่งที่ยังไม่เทศไม่มีเลย ใครจะใครจะพูดจนน้าไหลไฟดับก็าตาก็เลมกล้างพระบรมศาสดานั่นเองเพราะท่านเทศแล้วตอนไหนดีท่านก็ออกมาเทศหมดแล้วตอนไหนชั่วท่านก็ออกมาเทศหมดแล้วตอนไหนเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชมสมบัตินิพพานสมบัติองค์ท่านออามาเทศหมดแล้วเรามาเทศก็เป็นบัญญัติว่าคาเทศของเราอย่างนั้นอย่างนี้มันโง่จริงๆรเนื้อโมท่านบัญญัติแล้วอ ชาปัญญติโยชาเขแปลว่าหกตาหูจมูกเลี้ยงกายไกย่ถ้มันอยากแล้วเมื่อเอาตาหูจมูกเลี้ยงกายไกายมาเทศมันก็เอาคําสอนของพุทธเจ้ามาเทศเหมือนกันชาปัญญติโยขันธ์ทัญญัติาขันธ์ห้าก็ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารเวียญาณก็ดีเมื่อเอารูปเวทนาสัญญาสังขารเวียญาณมาเทศมันก็เรียมก้างพระพุทธศาสนาเอกเหมือนกันนะจะว่าเป็นคําเทศของตนไม่มีเลย สัทถังสัพยัญชานะาเกวระปริปุนังวันที่สุดทางพรมจารย์ยังประกาศเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะเหตุนั้นจึงเข้าสู่พระนพานไปสักไพระในเบื้องต้นคือศีลไพระในทถ้ำกลางคือสมาธิไพระในท่ายคือปัญญาและมีมุตติพิธาเวลาขะมีมุตติสุที่นิพานเทตมุตพระบรมศาสตราเทตมุตต์เนี่ยเได้ผ่านอุปสรรคมุตต์เยที่ไหนไม่ได้เทศไม่มีเลย แม้จะเทศยอ่อหรือเพศสดานก็ตามหน้โมตัวเดียวก็ขยายออกครบแปดหมื่นสี้พระธรรมขันธ์เหมือนกันใครเรียนน้โมโจบก็พระละหันเท่านั้นเรียนน้โมโจบน้โมแปลว่าน้อมๆน้อมๆจนเมื่อมาเกิดแก่แ็บตายน้อมๆจนเมื่อมาโรคมาโกรธมาหลงทําแต่ละวัฏวัฒนส่งต่อพระนิพพานหมดทั้งนั้นโรคหัวใจโรคหัวใจโรคหัวใจมีโรคหลายอย่างโรคหัวใจโรค หลวงดำดีเป็นเนี้ยยังใส่เกบกัดของงูไว้เนี่ยใส่กบกัดของงูไว้ไม่ไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าตัดอใบคอนแกนก็ไปรักษาโรคอันนี้โรคหัวใจไม่ได้นอนข้างคือในโรงพยาบาลด้วยมาไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลด้วยนี่นี่นี่ ใส่เข้มขาองือไว้หนิอันนี้ผมทาบหลวงป่ร่ายฟังนีะครับพวกเรามักไ่เชื่อว่าเป็นเป็นโรคไตเรื้อรัง่อหลวงปูไปช่วยเขาตอนควายถูกข้าวเดียวท่านน่ะได้ผลเลยไปช่วยเขาโคไม่ไม่ใช่ควายโคตัวเดียวท่านนห่ะแล้วไปพูดล่อมันเล่นมึงอยากขี้โหลมึงอย่าขี้โหลมึงอย่าล่อมึงอย่าล่อ ฮะผมมีหน้าที่สแกนตอนเอเวอเรส์ตอนทับไม่เป็นไรกวครับทำนั่นแ่ละอันนั้เราก็พูดเข้าข้างตัวยังกัมังคลริษสามิกรยานางวาปะกังวา ตัตตาญ า, าโดสวิตสามิสวิตสันติก็ดีผู้ใดทํากรรมอันใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั่นสื่ไปเอวังอเมหิอภินาหัางปัจเจกคิดว่างเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดมันมีอยู่กรรมกตัตตากรรมกรรมที่ทําให้มีเจตนามันก็ตามมาเหมือนกันตาหูจงเลี้ยงไกไกลของเราตาหูจงเลี้ยงไกลไกลที่บรรดาทว่า มันก็ไมได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นตาข้าพเจ้าเป็นหูข้าพเจ้าเป็นจมูกข้าพเจ้าก็ลิ้นข้าพเจ้าเป็นกายข้าพเจ้าจะอยู่ใต้อำนาจของใจขเข า, เาเก็ไม่ว่าแต่ไม่ลาแก่เก็บตายแล้วก็ไปตามเรื่องของมข า, มาแต่มันมันมันได้นึกถึงใจว่าเออใจเป็นผู้หวงเราเราไม่ต้องเกิดเราไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายเขาก็ไม่ว่าเขาก็อร่วงไปร่วงไปตามเรื่องของเขาอืมมันเป็นตามธรรมชาติของเขา สิ่งนัจะเกิดขึ้นแปรดับสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแปรดับไปตามธรรมดาไม่ได้อยู่แต่ในอำนาจของผู้ปรารถนาถ้าไม่ให้แกวก็แกถ้าไม่ให้เก็บก็เก็บถ้าไม่ให้ตายก็ตายถ้ามาให้วิญญาติพัดจากไปมันก็จากไปเช่นคําพูดในราชวัตรพูดขึ้นก็ร่วงไปพูดขึ้นก็ล่วงไปพูดขึ้นก็ล่วงไปไม่ได้อยู่ในอำนาจปรารถนาของท่านคนใดสังขานก็ใดทั้งขานได้เกิดขึ้นในอดีตสังขานก็ดับในอดีตสังขานได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขานนั้นก็จะดับไปอนาคต ทังขาเนี่ยเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งขาเนี่ยก็ับไปในปัจจุบันไม่ได้อะไรเขาพูดเป็นห่วงเป็นห่วงห่วงห่วงห่วงไม่ไม่ได้อะไรเข้าไปเป็นจริงไปตามสภาวระธรรมทางนั้นที่เราห่วงอยู่นี้นี่ก็คือห่วงสมมุติสมมุติมัอยู่ในอำนาจวาชนาฏของใครไม่มุติว่ามัได้อยู่ในอำนาจวาชนาฏของใครถ้าเราพิจารณาไปมันก็จะเกิจางไปถ้าเราห่วงดินดินก็มีอยู่เราห่วงน้ำน้าก็มีอยู่เราห่วงไฟไฟก็มีอยู่ ไฟแต่ว่าไฟไดิ น, นแต่ว่าไฟดินน้ำแต่ว่น้ำลมจากพ่าลมไม่ว่าจะอยู่ในอํานาจว่าสนับของใครทั้งนั้นแต่ความโลภความหลงของเราเราก็มาห่วงมันแต่มันก็ไม่รู้ว่าเราห่วงมันอีกแค่ด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอาจจะแค่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าห่วงจมูกไกายกลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ไม่ใช่ของเร า, แ ต, รเร า, เราแต่เราฝืนว่าน้ําให้เป็นตัวถ้าอยู่สมประสงเราก็ จิตใจถ้ามาอยู่สมรสมเราปก็รื่นรุนมันก็เป็นความเข้าใจผิดของ จ, จิตใจต่างานอกจากใจไม่มีอันใดจะรู้ท่าใจนอกจากใจก็มีอันใดจะเป็นห่วงใจนอกจากใจก็ไม่มีไม่มีอันใดจะไปห่วงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะวางใจได้ใจเท่านั้นจะวางใจได้บางท่านก็บอกว่าเออนกบูงหรือเลี้ยงขันพาวนหา มันไม่ข้ามจิตจิตมันไม่ว่างเออจิตไม่วา่าถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนจนไม่จิตจิต ก, ก็ไม่ว่างถ้าไม่สําคัญจิตว่าเป็นตนตนไม่จิตจิต ก, ก็ว่างอยู่แล้เช่นะนีนอ้อันอื่นก็เหมือนกันเข้าใจนะทีนี้อเข้าใจนะออื <laughs> ถามกันจริงเหมือนกันไงถามเขาดึกเรียเหมือนกันนะล่ะ ถ้าไม่สำคัญจิตแล้ เ, เป็นตนจนมีจิตก็ม่มีสิ่งที่จังหวนคนตายไม่เป็ห่วงอะไรเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นสามตัวจังๆเลย <c oughs> ใจเป็นม้รดกเดิมแล้วมาเจอตาหงษสมอกเรืนกายใจละอะกา ย, กยละใจลใจไม่รู้เท่าใจใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจตอนไหนใจเป็นรู้เท่าใจใจ ต, ตอนนั่งใจก็ไม่เป็นทุกข์นอกจากใจไม่มีอันไรจะเป็นทุกข์ นอกจากไกายเขาไม่มีอะไรจะเป็นถุกนอกจากไกายเขไม่มีอะไรจะวางเฉยกายทานนั่นเป็นผู้ปกสมมติขึ้นงานของใจจะไปจบกันทีน่ไหนจะ uh, そうそうไปจบกันที่พาหมณ์โรคปวดหลงเข้าใจเป็นผู้คงแจกขึ้นดีใจ้าใจเป็นผู้คงแจกขึ้นเสียใจเข้าใจเป็นผู้คงแจกขึ้นเจียงอื่นแม้ในย่างมาคงแจ่รู้เข้าใจตอนไหนเขรู้เราทําตอนนั้นทาไมรู้ท่าใจตอนไหนเขาไม่รู้เราทํำตอนนั้นผู้จะทำเนียร์ชั่วเขคือใจ ผู้จะไม่ทำดีทำชั่วก็คือใจแต่ของพระรหันต์ไม่ได้ทำดีทำชั่วขึ้นพราะเดีก็สร้างพอแล้วพอชั่วก็พ้นไปแล้วก็เลยไม่ทำดีทาชั่วขึ้นแต่พวกเราไม่ทำดีก็สร้างับชั่วก็ทำผู่กันไปทวนเวียนอยู่กับดีกับชั่วพวกเราตายตายขางานนึกคิดเพราะนึกคิดยังไม่สำเร็จรหัน์นึกคิดสำเร็จแล้วเมื่อแล้วเพราะเราตายขานึกคิด พระหันเบื่อแล้วไม่นึกคิดนึกคิดอะไรก็ไม่แ ม, ม่ยืนยันเหมือนนกบินในอากาศไม่มีรอยนึกคิดแล้วก็ไม่มีรอยนึกคิดวันยังค่ําก็ไม่มีรอยัเหมือนนกบินในอากาศเหมือนเม็ดเชื้อน้ําท่านไม่ติดอยู่ในนึกคิดแต่สิ่งที่ชั่วท่านก็ไม่เอามานึกคิดนึกคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เลือรอนกับจิตท่านก็ไม่เอามานึกคิดนึกจิตตามัจริงของจิต รู้นักคิดตามมาเชียงของนักคิดไม่ติดอยู่ในเงานทั้งสองด้วยเพราะเราเนื้อะไรก็กรร ม, กกมเอากรมเอากรรมมาก็มีแต่เด็ดจะรุมไม่ได้อะไร <c oughs> นี่ทำชั้นสูงทำชั้นต่ำก็ให้นึกไปทางกุศลผลบุญให้สร้างกุศลผลบุญให้สร้างความดีสึ่งไหนจะเป็นกาบาพิตกัท่านไว้นึกคิดสักถ้าไม่ส่งเสริมท่านข้ามไปแล้วพยาบาปพิตกพยาบาปพิตก ท่านก็้าไเอามานึกคิดแท้เดือร้อนวิ่งซ้ายวิ่ตกท่านก็้าไปเอามานึกคิ ด, ดแท น, เ, าานเวียนตนแ้นเวียนท่านผู้อื่นเบื้องต้นของท่านแต่เมื่อท่านทํ า, ทาทพอแล้วท่านก็อยู่สบายสบายสบายบาเขาว่าดินก็ว่าไประจำเขาเขาว่าน้ำก็ว่าไประจำเขาเขาว่าไฟลมก็ว่าตามเขาแต่ไม่ติดอยู่ในที่ว่าและไม่ว่าเรามันติดอยู่ ม, มัดนี่พวกมาเหยียบแข้งเหยียบขามึงไม่นู้จะกกูหรือท่านเปนว่า แต่ความบาปบาปตกอยู่กับเขาท่านก็ไม่โกรธกันเขาท่านก็ไม่ผูกเวรเขาแต่พวกเราจองเวนมึงไม่รู้จั ก, กูดีสุขหมผูเขาก็เมอนกันใครมาก็บอกว่าผูเขาใครมาก็บอกว่าผูเขาไม่รู้ว่าผูของใครเราก็เหมือนรเราเอาคนนั้นกับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเราแท้ไหมไม่รู้จะกู เพื่อนกักูไม่ใครว่าไม่รู้ว่าใครเป็นกูแทะบ้าหลงสมมติพวกเราถูกไหมกระดาษไบนี้มันเลื่อมยุ่นร่วมพัดไปเขาบอเอาไปบอกเนาะมัน ม, มันเลือยเถมันเลือยใครจะเอาไปเอามาสักดินดินดินดินครับครับดินเขาไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นดินแทะ น้ำน้ำน้ำน้ำเหมือนกันไม่รู้ว่าใครเป็นน้ำเธอทั้งหลายใต้จิตใจไม่เหมือนดินน้ำไฟลมเธอทั้งหลายไม่พ้นจากกิเลสพระบรมาสดาดินก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันใครไปขี้ใส่เขาเข้ามาตรองเวรแต่พวกเรามื่อไงจุดไม่รู้จะกลหรือถูกไหชาวโลกท่าไม่ฆ่าสัตว์ท่าไม่รักของเขา ข้ามีศีลอยู่ไม่ฆ่าสัตรมีศีลอยู่ไม่รักของเขามีศีลอยู่ไม่ล่วงละเมิดกามารวมของท่านโพดายไม่พูดมุสาต่อท่านโพดายไม่ดื่มสุราเลยมีศีลห้าข้อเนี่ยจํากัดอยู่ทุกผนทุกแห่งทัท่วใจรูปธาตสงครามก็ไม่มีาาสตราอาวุธก็ไม่มี เรือนจำก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดุ้งผวาพระไม่มีเวรอยู่รอบข้างทหารก็ไม่มี ต, ตำรวจก็ไม่มีกุญแจก็ไม่ต้องมีเวนยามก็ไม่ต้องมีเออเมริกาก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกรัสเซียก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกออสเตรเรียก็ไม่ได้เป็นเจ้าโรคไทยก็ไม่ได้เป็นตีนก็ไม่ได้เป็นใครก็ไม่ได้เป็นเจ้าโรค มีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหมฆ่าฟันกันเพื่อจะให้แพ้ให้ชนะกันมันก็ไม่แพ้มันก็ไม่ชนะมันก็กูทีมังทีอยู่อย่างนี้ผลสุดก็มีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหมชาวโลกแย่งกันอยู่ทุกวันนี้ก็แย่งดดแดดแย่งลมกันผลที่สุดก็ตายไม่มีใครได้ใช่ไหมวัตถุนิยมทําขึ้นด้วยดินน้ําไฟลมเมื่อแตกลงไปก็แตกไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมใช่ไหมวัตถุนิยม เราก็ชมมาจะอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของความไม่เทีย่ยงแตกลงไปทํำธาตุดินเนี่ยทารูราขึ้นจักเพียงไหนก็ตามแตกลงไปก็เป็นเป็นธาตุดินธาตุน้ํากับมันก็แตกลงไปเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวัตถุนิยมที่ทํารูราขึ้นก็มาทำจะออกมาจากธาตุดินแตกลงไปก็ไปแตกเป็นเป็นดินเป็นน้าําเป็นไฟเป็นลมใช่ไหมเอาสัตว์แต่โลกท่องเที่ยวไปตามตาท่องเที่ยวไปตามหูท่องเที่ยวไปตามจมูก ท่องเที่ยวไปตามลิ้นท่องเที่ยวไปตามกายท่องเที่เอาไปตามความนึกคิดรำมาลมของใจใช่ไหมเอา้ารักชีวิตของตนหมดเช่นนกอย่างนี้หรือกบอย่างนี้เวลาเราไปมันไม่ไว้ใจเรามันก็กระโดดลงน้ำใช่มทีนี้มันก็กระโดดลงน้าคนเรารักชีวิตของตนสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตของตนเหตุนั้นปาณอาชีวะจึงเป็นสินขอน้อต้นอัินาทาน ถ้ารวงระเมิดมากก็ฆ่ามันซักก็ไปรวมข้อต้นถ้ามันร่วงละเมิดการมาลงของท่านผู้อื่นมากฆ่ามันซักก็ไปรวมข้อต้นมุสาพูดปวดมากไปรวมข้อต้นอีกฆ่ามันซักสุรามันเมามากฆ่ามันซักไปรวมข้อต้นเียขบวดข้อต้นเป็นเสียขบทสําคัญกว่าเพื่อนใช่ไหมการทําลายชีวิตกันจึงไม่ควรทําใช่ไหม ศาสนาแต่และอย่างเลยอย่างดีหมดแต่อันไหนดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับผู้จะพิจารณาเอารักของเขาของเราอย่างใดก็เคารพของผู้อื่นอย่างนั้นใช่เราไม่ต้องการให้คนอื่นพูดเท็จเราก็ไม่ต้องพูดเท็จกับท่านผู้อื่นใช่ไหมเราไม่ชอบคนชี้เมาคนอื่นเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมถ้าโลกทั้งหลายเคารพสิ่งเหล่านี้แล้วกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากใช่ไหม ที่นี่ให้พอเลยก็เอาแล้วนะาปริปเรนติสารลังเอวัเมวะยตุตินังเปตานังปะกะปิอิจิตังปิิตังตูมังคิะเมวะเสมิจตุสัพเพปูเรนูสังขปาจันโดปนันโยะามตโชเทระโซยะาสัพพีตโยยวัจันโสัพโรโนัสสัตตุมาเตปวัตตนาโยสุขีตีฆาโยโภอภิวาตนาสีนิจนิจังวุทาปัญญโยชัตารูสมาวัันติอายุวโนสุขังพลังอันนี้เป็นภาษามคก แนภาษาไทยด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามันมีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่นหน้าทอดทางไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญอยู่ทุกเมื่อมีมีประมาณเถนดไป